ให้ฐานรักษาสิ่ยังไม่เพียงพอต้องมีการภาวนาภาวนาเพื่อจะตัดรากถอนโคนของความทุกข์การภาวนาก็การเจริญสตินี่แหละภาวนาไปว่าทำให้เจริญทำอะไรให้เจริญน่ะทำจิตทำใจให้เจริญให้มีสติมากๆนั่นเองสติมันเจริญจิตมันเจริญนั้นการเจริญสติเนี่ยเป็นวิธีการปฏิบัติที่แก้ปัญหาเด้สรพัโรค สารพัดยาสตินี้มีประโยชน์มากนะเมื่อมีสติแล้วเนี่ยก็จะทําให้เกิดปัญญาสติธรรมดาที่เราไม่ได้ฝึกนะสติอิวข้าวสติง่วงนอนสติยิงนกสติตกปลาอันนี้เป็นสติตามจัตยานแมวก็มีแมวจับหนูมันกรใช้เหมือนกันนะสติโดยธรรมชาติแต่สติโดยธรรมชาติเนี่ยมันดับทุกข์ไม่ได้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 ทำไมจะเป็นอย่างนั้นทำไมเราจะยึดติดเพราะมันเกิดความอยากอยากให้มันสวยอยากให้มันตกอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันเป็นตัวเราจริงจทั้งนี้ธรรมชาติบอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ ช, ใช่แต่เราก็อยากให้มันใช่มันก็เลยทุกข์ <S <S <S ความยึดมั่นมาจากความอยากก่อนถ้าไม่อยากเราไม่ยึดหรอกคนเนี้ยจะไม่อยากเจอหน้าเธอรอเธอไม่สวยเราก็ไม่อยากไปสแสวงหาเขาแต่แล้วเราไม่ยึดติดะ ความอยากมาจากไหนความอยากก็มาจากความคิดไงถ้าไม่คิดมันไม่อยากหรอกไม่เชื่อลองหลับดูสิเพราะไม่คิดมันจึงไม่อยากความอยากมาจากความอันนี้ไม่ใช่วิทยาการนะเป็นลำดับของยานยานที่คิดเอานะโดยธรรมชาติกนตัวเป็นยี้นั้นแหละเพราะความอยากจึงเกิดความยึดเพราะความคิดจึงเกิดความอยากยาเช่นเวลาเราเกิดเรื่องของการเนี่ย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 พอค่อยถอยหลังมายังไงก็ต้องมาลงที่ตัวสตินั่นแหละถ้ามีสติความคิดไม่เกิดถ้าความคิดเกิดแสดงว่าขาดสติแต่ถ้ามีสติแล้วสติมันดับไปความคิดมันก็เกิดอีกนั้นความคิดมันจะเกิดปรุงแต่งเสมอๆ เ, เราก็ต้องมีสติคอยตาม am, รู้มันเสมอๆ เ, เหมือนกันมันต้องประกบกันอาวุธที่จะรู้ทันความคิดเด่นต้องสติมันทันกันจึงต้องมีการเจริญสติไง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 ตัวตนเกิดจากความคิดนะตัวตนเนี่ยเกิดจากความคิดความคิดมั่นก็มาจากความคิดแค่นั้นแหละแล้วเราก็ขาดสติแล้วก็ไปเชื่อความคิดปรุงแต่งไปกับความคิดบางทีรู้นะโอนี่เราคิดแล้วนี่บาที่ยิ่งรู้ยิ่งคิดออกจากความคิดไม่ได้คิดตีออกจากความคิดออามาก็คิดอีกอ่ะคิดตอนคิดดับมันคิดเลยนะแล้วคิดครั้งแรกเนี่ไม่พอใจมันไม่น่าคิดเลยใครสองคิดออกจากความคิดอันนี้ทุกหนักเขาอีก เราคิดออกไม่ได้เนี่โหดเลิกลางทุกทุกกว่าทุกที่สุดออกไม่ได้ก็ทุกมากแล้วบางคนรู้ว่าคิดใช่รู้คิดเนี่ยมันไม่ออกจากความคิดแต่คือรู้เข้าไปอยู่ในความคิดมันไม่ได้เห็นคิดเ่อรู้กับเห็นนี่มันต่างกัตงนตัวนี้รู้ว่าเราคิดมันก็จะเป็นผู้คิดอยู่ถ้าเห็นคิดอะเหมือนท่านเห็นผมเป็นคนพิการท่านก็ไม่ได้เป็นคนพิการอย่างผมแยกกันเลยแยกจิตออกจากอารมณ์ แยกสติแยกความคิดออกจากจิตนี่คือการเห็นถ้าการรู้นี่มันเข้าไปอยู่พอเห็นนี่มันจะเป็นผู้ดูและปัญหาเนี่ยปัญหาที่ก็คือว่าเราขาดสติแล้วก็หลงไปกับความคิดแล้วพอคิดหนักเข้านี่ยแม้จะคิดดีก็ตามนะเริ่มต้นทำถ้าจะดีนะแต่ลองดูเถอะเราเสรไปสักหน่อยหนึงโอทุกมาแล้วความทุกข์จะมาความคิดทันทีเลย แล้วมันก็เลิกไม่ได้เดีย๋ยวบาที่พันเสพจนอยากออกไม่ได้ละมันเป็นการสร้างความเคยชินที่จะคิดคิดคิดเราไม่เคยสร้างความเคยชินที่จะมารู้สึกตัวมันก็ตัดความคิดไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยบางคนหลงไม่ตั้งนานเราคิดเป็ น, นามพูดโอนี่เราคิดนี่โอ้ oh, นี่เราคิดเนี่ยหลงมาตั้งนานนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะไม่แปลกนะคนที่เป็นอย่างนี้ไม่แปลกหรอกเป็นเรื่องธรรมดาอย่าไปเสียใจอย่าไปน้อยใจ ดีแล้วที่เรู้ว่ามันเป็นปัญหารู้จักปัญหาเนี่ยจะออกจากปัญหาได้จึงต้องมีการเจริญสติหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านเป็นปรมาจารย์แห่งการเจริญสติท่านมีหลักในการปฏิบัติได้เป็นอุบายวิธีที่จะเอาชนะความคิดได้นี่แยกคลายมากท่านให้ทําความรู้สึกตัวประเด็นต่างๆคือให้ทำความสุขตัวคือให้เจริญสติ จะลดสติให้ๆๆนั่งมากนี่แหละเอากายที่มันเคลื่อนมันไหวนี่แหละดูกายที่มันนั่งก็รู้สึกมีสติอยู่กับการนั่งการนอนการยืนการเดินก็มีสติรู้ในอิเลียบทใหญ่ใช่ไหมการเดินจงกรมท่านก็รู้คะแนนให้รู้กายในอิเลียบทใหญ่อิเลียบทย่อยจกระพริบตาจะอ้าปากกลืนน้ําลาย เหลวซ้ายแลขวาจะจับจะช่วยให้มีสติตามรู้ในเอียบทย่อยอันนั้นเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในชีวิจำมันท่านก็มีรูปแบบในการเคลื่อนไหวมือเป็นจังหวะสี่สีจังหวะอย่างที่เราเคยปฏิบัติกันรียกว่าจงกรมมือก็ได้เคลื่อนไหวมืออย่างมีสติตามรู้คลิกมือรู้สึกยกรู้ามือเข้าก็รู้สึก รู้สึกทุกครั้งที่มือเคลื่อน right. ไหวนี่มีสติรู้ในความรู้สึกที่มันเคลื่อนทำไมดูเสลยใช่ไหมรู้สึกรู้สึกนะไม่ใช่รูปแบบเข้าไปอยู่ในมือนะถ้าเข้าไปในมือเนียวก็ต้องเคลื่อนเป็นอย่างนี้ไปตามมือให้เป็นแค่ผู้รู้มือเคลื่อนไหวไม่ใช่ผู้เข้าอยู่ในมือเคลื่อนไหวคือไม่ได้ไปเพ่งไม่ได้ไปจี้ไม่ได้ไปจับรู้แต่แตะรู้แต่แตะใช่ไหมรู้พร้อมที่จะปล่อยมือได้ถ้าไปจับนี่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 แทนที่จะจิตมันจะไปความคิดให้มันสร้างความเคยชินแบบใหม่ให้มาทุกขที่กายเคลื่อนไหววะเพราะกายมันไม่คิดหรอกไอ้ที่คิดมันไม่ใช่กายเดี๋ยวเพิ่งไยุ่งกับความคิดถ้ามันไม่สนใจความคิดมารู้กายให้มันชำนานเถอะพอสติมันตื่นรู้แล้วเนี่ยมันก็จะไปเห็นความคิดเห็นจิตเห็นใจถ้าจิตไม่ตื่นเนี่ยมันไปเห็นความคิดยากมันกลายเป็นผู้คิด ให้ตื่นรู้ซะ ก, ก่อนแล้วก็จะไปเห็นความคิดไม่ได้เข้าไปอยู่ในความคิดถ้าแม่สอนให้ห้ามความคิดนะไม่ได้สอนให้หยุดความคิดปล่อยมันคิดไปเราก็คอยรู้กายแล้วก็รู้จิตที่มันคิดรู้แล้วไปไงแล้วทิ้งเลยไม่วิพากษ์วิจารณ์ว่าคิดอะไรเรื่องอะไรดีไม่ไม่คิดไม่วิจารณ์ต่อไม่หารายละเอียดไม่หาเหตุรลบผเห็นคิดแล้วทิ้งเลย เน้นให้มีความรู้สึกตัวไปกับกายเคลื่อนไหวและกระลุกคิดใจที่มันคิดมันนึกเนี่ยหลักการของท่านอาศัยรูปแบบง่ายไหมผมนี่ยกมือไม่ได้นะเมื่อก่อนเนี่ยยกได้ข้างเดียวอาศัายยกไม่ได้ก็เนี่ยอาศัยรู้สึกตัวแปกบการเคลื่อนไหวไอ้ความพยายามที่จะทำเนี่ยมันทำให้เรามีสติเหมือนกันนะทาให้มีสติมีสมาธิมีความเคยชินที่จะเพียน ถ้าไม่พยายามทำนินมันก็เคยจินเดียไม่เพียนมันจะทอ้อทําไปก่อนสร้างความรู้สึกตัวไปก่อนแล้วมันก็จะไม่เห็นส่วนละเอียดของร่างกายเห็นทุกข์ของกายเห็นทุกข์ของจิตเห็นรูปเห็นนามตามแบบอาศัยรูปแบบก็เคยได้พูดคุยกับญาติธรรมก็มาคุยกันหลายคนมีทั้งผู้เก่าผู้ใหม่มาคุยกันเรื่องการปฏิบัติธรรม เรื่อบรรลุธรรมเนี่ยไม่ค่อยได้พูดกันหรอกเพราะคนที่ใกล้บรรลุธรรมเนี่ยเขาไม่ค่อยมาคุยกับผมคนที่มาคุยกับผมมักมีปัญหาเรื่องทำบ้านก็ <c oughs> นยินดีนะชอบคุยคนมีปัญหามันจะได้โชคดีว่าเราไม่มีปัญหาเออก็มีปัญหาเราดีกับเขาหน่อยอะไรอย่างนี้นะปัญหาที่ได้พบประจําก็คือจิติแล้วจิตมันฟุง้งมันฟุง้งมันคิดมากเหลือเกินคิดจะเป็นบ้า ไ, ได้นะเลยว่าไปปฏิบัติยังไงมันคิดมาก แล้วรู้ว่าคิดนะแต่มันออกไม่ได้มันติดอยู่ในอารมณ์ติดอารมณ์ออกไม่ได้ไม่มีเทคนิคนอนไม่หลับมันฟุกมากไอ้เจรตสติไงนอนไม่หลับมันฟุงมากแล้วมันก็หลงนานมากสติไม่ค่อยเกิดขณะพยายามตื่นเช้าวันนะเอาวันนี้เราจะมีสติพอเสร็จเราก็ไปทำอะไรกันไม่รู้ทั้งวันนะก่อนจะนอนโอ้สติเึ่งเกิดตอนก่อนจะนอน โอ้หลงไปยาวเลยนะหลงไม่นานเลยนี่ทํำยังไงโอ้ดีแล้วที่เรารู้ว่ามันหลงดีแล้วดีแล้วาเรารู้ว่ามันฟุง้งดีแลกดีแลันถูกแล้วอันนี้น่าเห็นใจบอกแล้วคุณทํายังไงนะก็เจริญสติไปเรื่อยเจริญยังไงก็ดูบ้างดูจิตดูอะไรก็ <c oughs> บอได้ดูจิตไปเรื่อยๆแล้วดูจิตทำไมถึงฟุ้งอะ่ะบอกอันนี้ไม่ใช่ดูจิตนะเขาเรียกว่าคิดว่าเราดู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 มันก็ต้องมีการปฏิบัติม อ, อย่างคุณเนี่ยต้องมีรูปแบบสักหน่อยมีรูปแบบให้จิตมันเกาะทุกวันเนี่ยจิตคุณไปเกาะกับสิ่งที่ไม่ใช่รูปแบบคือไปเกาะความคิดไปเกาะความหลงมันก็ไปความหลงนี่แล้วเกาะกับอะไรก็ไปกับสิ่งนั้นคุณต้องมีหลักให้จิตมันตั้งให้สติมันตั้งมัน่นอะไรเป็นหลักไะก็คือกายไง อาศัยรูปแบบไปก่อนอาศัยรูปแบบของการปฏิบัติเอากายของเราเนี่ยเป็นรูปแบบไอ้จิตมันเกาะอยู่กับกายก่อนให้มันชํานาญให้รู้สึกตัวไปกับการเคลื่อนไหวของกายในอิรลียบทธรรมดาธรรมนานอนนั่งยืนเดินแล้วก็การคูเหยียดก้มเงยต่างๆมันไม่ทันอ่ะไม่ทันมันต้องมีการเคลื่อนไหวบ้างอาศัยการเคลื่อนไหวเป็นรูปแบบปฏิบัติในเวลาที่เรามีเวลาของตัวเองนะ ลองฝึกให้จิตมาอยู่กับการเคลื่อนไหวของกายฝึกให้มันเคยชินที่จะกลับมาอยู่กับรูปแบบถ้าคุณมารู้กายเคลื่อนไหวบ่อยๆเนี่ยจิตมันก็หลงกันนะแต่จะหลงไม่นานมันมีที่กลับมันเคยชินจะกลับเหมือนเรามีบ้านอยู่เนี่ยเราไปไหนก็ตามเนึกว่ากลับมาบ้านเรามันไปได้ไม่นานมืดค่ากลับมาบ้านเราจิตมันหลงไปไม่นานเดี๋ยวมันก็กลับมาอยู่กับกายแล้วมันหลงไปแล้วมันกลับถูกที่ มีที่กลับบางทีเรารู้นะว่าติดอารมณ์แต่ออกจากอารมณ์ไม่ได้ถ้าเรามีรูปแบบดูกายเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะมีที่ให้กลับมาหลวงพระเชษฐาบอกว่าอย่าอยู่นิ่งๆให้เคลื่อนไหวไวาให้มีสติเกาะไว้รู้ไว้อย่าอยู่นิ่งๆเดี๋ยวจิตมันจะหลงจเลเะเผลอพอเผลอปั๊บมันมีที่กลับมาถ้าเราไม่มีหลักเกาะเนี่ยพอเผลอปั๊บมันกลับไม่ถูกเลยจะมาเริ่มต้นไหนดีเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยถ้ามันมั่วไม่รู้อะไรแล้วก็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 มันจะทิ้งกายแล้วกลับไปอยู่กับอารมณ์ที่มันเรียกว่ากรรมมณิมิตคตินิมิตโอจะเกิดเป็นอะไรดีเลือกหาพบชาตินะถ้าขาดสตินี่มันจะเลือกลงที่ช่องไหนนะทันทีมีสติไว้เนะี่ยถึงเวลาในปล่อยวางกายได้ไง่ายๆตอนนี้เพิงปล่อยนะดูแลเข้าไว้ก่อนฟังแล้วยาลีปล่อยเอาไว้ก่อนไว้ก่อนนี้ผมกขนาดโสมยังดูก่อนนะอย่าเพิ่งทิ้งกายเป็นไหนดูมันก่อนอาตายมันข้าฝังปฏิพานก่อนถึงเวลาแล้วค่อยปล่อยมัน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 มันจะเป็นปัจจุบันมากรูปนามจะเกิดขึ้นในตรงที่กลับมารู้กายอันนี้คือประโยชน์รู้ไปก่อนพวกนี้ก็เคยนะเคยปฏิบัติเมื่อเริ่มต้นศึกษาธรรมะใหม่ๆอยากจะปฏิบัติทมอยากจ ะ, จะเจริญสติอ่านหนังสือมามากมันก็ดับทุกข์ไม่ได้ทัทีถ้าการอ่านหนังสือมากทำให้เราพ้นทุกข์ได้นี่โอ้ยผมเป็นอหรหันต์นานแล้ว อ่านแล้วมันอย่างกับเราจะหลุดพ้นเลยนะเคยไ้มพอเวาหลุดพลล้นเราไม่มีทุกข์แล้วสักพักเดียวเดี๋ยวอารมณ์มาแนละ้วอารมณ์มาสอบนะตบทุกทีแปลว่าการอ่านนี่มันรู้ทำไม่ได้ก็อยากจะปฏิบัติก็ลองหลับตาใช้กรรบริกรรมพอหลับตานอกมันก็หลับข้างในหลับแล้วก็ไหลไปเลยนะดับทุกข์ได้แล้วนิพพานในตอนหลับ ตื่นมาก็โอ้อยังพีการเหมือนเดิมทุกหนักกว่าเดิมโอ้ธรรมะนี่มีไว้ให้เราหลับได้ไงเราะยดับทุกได้ใช่ไมตอนเราหลับได้ไงไอ้ตักวันถ้ามันไม่หลับจะทำอย่าไไงไรเลยมันก็คิด อ, อ่ลองลืมตาดูลืมตานอนนิ่งๆลืมตามันลืมข้างนอกแต่มันก็เผลอข้างในมากข้างนอกในี่ดูสงบแต่ข้างในเนี่ยโอ้โหวุ่นวายมันไม่ใช่นน้าไหลนิ่งนะ มันน้ำไหลขุนข้างนอกดูสงบแต่ข้างในนี่ฟุ้งซ่านวุ่นวายมันทุกข์อยู่ข้างในไม่ใช่กรรมฐานไม่ดีนะหลับตาก็ได้จะบริกรรมอะไรก็ทำไม่้ถูกทั้งนั้นแต่เจ้าหลิกอย่างเรานี่มันไม่เหมาะคนมันอยู่ในชีวิตจิตต้องนอนทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยทํากรรมฐานแบบหลับตานี่มันอันตรายมากมันใกล้กับการที่จะนอนหลับไปมาก แล้วการทางธรรมต้องเดินจงกรมแล้วเรามันเดินไม่ได้ชีวิตใหม่ของเรามันไม่เดินชีวิตก็ให้พักผ่อนเดินไม่ได้แล้วนั่งก็ได้ไม่นานเ้าจะทํำยังไงมันก็ท้อมกันนะมัญหาทางออกไม่ได้ก็ลองฝึกอ่านของหลวเทียนเนี่ยโอ้หลวงเทียนสอนให้ยกมือเคลื่อนไหวเราไม่ยกยกไม่ได้เดินจงกรมเราไม่เดินเอ้ยดูจิตได้เนี่ยโอ้ดูจิตเราก็มีนอนนอนดูจิตสบายเลยไม่ต้องไปเดินให้เมื่อยดเลย นอนเตียงตั้งท่าจะดูจิตในเวันนี้นะอ่านหนังสือนว่าเทียนหลักของกรรมฐ า, านวางไว้ข้างหมอนนะหลับวางข้างๆเดี๋ยวจะดูจิตเราเริ่มดูจิตตั้งแต่หัวค่าตีสี่ยังดูไม่จบเลยเรื่องจิตไม่จบเรื่องจิตโอ้จิตนี่มันดูแล้วไม่จบเนี่ยแล้วมีผลคือมึนศีรษะปวดหัวฟุง้งซ่านท้อแท้มันคงจะทําไม่ได้แล้วดูจิตยังดูไม่เป็น ไม่มีหลักในการดูจิตยังไม่เป็นกลางคิดว่าเราดูจิตมันเป็นแค่ความคิดมันฟุ้งมันท้อถอยท้อแท้ในการปฏิบัติแต่มันโชคดีอย่างนะที่ผมมันไปไหนไม่ได้ก็ผมไปไหนได้นี่ผมไม่กลับมาดูแล้วเลิกดีก ว, ว่าไม่เอาแล้วไปไปดูมวยดูบอลดีกว่ามันมันกว่าดูจิตดูตัวเราก็เครียดดูโชคดีที่มันไปไม่ได้อะ มันต้องหาวิธีใหม่ต้องหาวิธีเป็นิบัของเราใหม่ก็เลยโชคดีที่ได้หลวงพ่อคาเขียนนั่นก็สอนวิธีการเจริญสติเนี่ยพระมาปโปรดเลยกัลยาณมิตรการปฏิบัติธรรมนีสําคัญนะได้ที่สงบสะอาดวิเวกอาหารครบพรบ้อมแต่ถ้าขาดกัลยาณมิตรครูบาาจารย์แล้วก็มันมีโอกาสที่จะผิดทางไนดะ้บางทีรู้ รู้วิธีการปฏิบัติมากมายแต่ขาดครูบาอาจารย์หรือกลรามิตรให้กําลังใจบางทีท่านก็ไม่ช่วยวเรามากมายแต่ถ้าเราสมัครตัวเป็นสิทธิ์หรือเคารพท่านเนี่ยเราก็มีความสบายใจมีกําลังใจราะมเขียนเนแนะนําให้เจดสติให้นอน อ, อนอนเจดสตินอนลืมตาเนี่ยไม่ต้องไปวัดอนอนพลิกมือเล่นเนี่ยพลิกมือรู้สึกให้รู้สึกนะ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 แล้วก็ทิ้งมันแล้วกลับมารู้กายเคลื่อนไหวไม่ไม่ก็ใช้แบบเนี้ยมันคิดปับ๊บโอ้ทิ้งเลยกลับมารู้กายเคลื่อนไหวมันคิดอีกทิ้งอีกกับมารู้กายเคลื่อนไหวต่อไปมันคิดปับ๊บไม่ต้องกลับมาแล้วมันดับเลยพอรู้ปับ๊บมันดับเลยไม่ต้องกลับมาแล้วพอจัดการตรงนั้นได้เนี่ยไม่ต้องกลับนี่พอไม่กลับมันก็เซอร์เดี๋ยวไปไหนทีอ๋อรู้แล้วไม่กลับมาสติมันก็มีนะแต่ด้วยความเคยกินอ๋อกลับมาก่อนเพื่อตั้งลักแล้วต่อไปเนี่ยไม่ต้องกลับมาหรอก พอรู้สึกแล้วมันจะเห็นสามส่วนเลยเห็นความคิดพอความคิดดับปับ๊บกลับมาเห็นกายเคลื่อนไหวแล้วกลับไปเห็นตัวเจ้าของคือสติเองเห็นไหมมันเกิดสภาวธรรมสามอย่างที่ไม่ใช่พร้อมกันทําไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นความคิดทิ้งมันแล้วกลับมารู้กายเคลื่อนไหวทํำไมธรรมามันเห็นอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมเห็นว่าไอ้การเคลื่อนไหวเนี่ยมันอยู่ข้างนอกจิต ท, ที่รู้มันอยู่ข้างในเนี่ย ไน้กายเคลื่อนไหวอยู <f> ่ข้างนอกจิตที่รู้นี่มันรู้จะรู้มาจากข้างในไม่ใช่รู้ที่มือนะรู้ออกมาจากข้างในแต่เห็นจิตที่ถูกรู้นี่เคลื่อนไหวอยู่ข้างนอกเนี่ยเป็นอารมณ์ของรูปนามเลยนะเกิดญาณปัญญาอาศัยรู้กายไปเรื่อยเนี่ยมันเห็นความคิดไม่สนใจความคิดอ้อก็ไม่เห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งที่มันเคลื่อนมันไหวเห็นจิตที่มันรู้อยู่ข้างในเห็นเริ่มเห็นจิตโดยที่ไม่ได้ดูจิตเลยนะ รู้จัดตายรู้กายมันกลับไปเห็นจิตได้แยกรูปแยกนามจิตมันตื่นนะพอจริตมากๆเนี่ยความตวนวมากขึ้นความหลงค่อยๆลดลงไปเองโดยธรรมชาติไม่ต้องไปไล่ความหลงแค่สร้างเพราะที่รู้ขึ้นมามากๆหลงมันก็หายไปเห็นรูปเห็นนามเห็นทุกข์กของรูปทุกขเวทนาที่เกิดจากรูปเห็นทุกขของนามเห็นทุกขเวทนาที่เกิดจากรูป อะไรที่เกิดจากทุกขเวทนาคือความคิดใช่ไหมไม่พอใจมันไม่น่าอ๋อนี่ความคิดเนี่เห็นความคิดที่เกิดต่อจากเวทนาทํำเรื่อยๆต้องทําต่อเนื่องนะไม่จะทํามาตกเมื่อแล้วเอาละพอละดูทีวีต่ออารมณ์ไม่ต่อเนื่องนะเดี๋ยวกิเลสมันมาเขาแทรกเลยรู้ว่ามันต่อเนื่องมันจะเห็นว่าอไอ้ความคิดเนี่ยมันมาจากไหนเห็นจิต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 ไม่ได้เป็นผู้ที่เข้าไปอยู่ไปเป็นถ้าเราเห็นความคิดโดยที่ไม่เข้าไปเป็นผู้คิดจิตแล้วก็จะผ่อนคลายถ้าเราเห็นกายที่มันเคลื่อนไหวเราไม่ได้เป็นกายใจแล้วก็เบากายนี้มันหนักนะยินเดินไม่ได้เนหนักมากเลยเพราะเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นเนี่ยจิตมันก็เบาเบาแบบรู้ทำไปตมาการคนคิดเกียดคิดเพราะความคิดมันําเนิดความตัวมันคิดเกียดคิดคิดเกียจคิดไม่ทําอะไรเลยไม่ใช่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 ให้เกิดจากจิตที่มันคิดแล้วก็ปรุงแต่งยึดมั่นถือมั่นด้วยความหลงหลวงสติจะมีสติแล้วมันเห็นเหตุของความทุกข์แล้วก็ไม่ได้ไปทําอะไรไม่ไปตามเท่ากันนิสัยเราเคยเชื่อความคิดเดี๋ยวนี้เราไม่เชื่อความคิดเราจะไม่เชื่อเรื่องขี้เกียจคิดอีทุกวันนี้ขี้เกียจคิดจิตต้องค่อยๆเบาสบายผ่อนกายมันก็มีความสุขแบบช่วยไม่ได้อะบางคนยังหน้าทุกข์หน้าเศร้าอยู่นิด ต้องเปล่งใจกันบ้างนะมันลาสมัยแล้วไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องเศร้าผู้นั่งการปฏิบัติธรรมบางทีต้องอาศัยรูปแบบถ้าคนที่ไม่ต้องมีรูปแบบนะถ้าทําได้ทําไปเถอะถูกแล้วดีแล้วละ่ะอยู่กับชีวิตประจําวันแบบรู้สึกตัวดูจิตดูอะไรดูไปเถอะดีแล้วธรรมะสูงสุดต้องมาดูที่จิตจากการที่จิต ด, ดับทุกข์ดับไปที่จิตบรรลุธรรมที่จิตใจ ดูได้ดูไปเลยถ้าดูแล้วเครียดแล้วทุกเนี่ยกลับมาดูกายกันยังไม่ตายเกินไปให้อภัยกลับมาเริ่มต้นใหม่ขึ้นต้นไม้อ่ะขึ้นทีเดียวถึงยอดนี่มันอันตรายต้องค่อยๆ่ายทีละก้าวเนี่ยตายเป็นสภากันให้เคยกินให้แข็งแรงพอถึงกิ่งก้านสาขาค่อยๆตายออกไปใช่ไหมใจเย็ยนเริ่มต้นจากเบสิกพื้นฐานใครจะว่าเราเต่าเราช้าไม่เป็นไรเราเต่าเดินแบบมั่นคง ดีกว่าก็ตายไปแล้วหลับตกมาตายค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปใครดูจิตได้หรือเป็นแบบทำแบบปกติธรรมดาโดยธรรมชาติได้ดีแล้วการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องอาศัยรูปแบบในบางครั้งเมื่อเราอาศัยรูปแบบจนนานแล้วเนี่ยสติมันตั้งมั่นมั่นคงแล้วเนี่ยเพาะว่ามันคงนี้ไม่ใช่ไม่ดับนะคือเกิดบ่อยๆเกิดบ่อยๆแต่นี้จะดูอะไรก็ได้ดูกายก็ได้ดูความคิดก็ได้ดูจิตก็ได้ดูเสียงดูรูป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 ไม่มีรูปแบบไม่มีคนเข้านิพพานไม่มีใครมีแต่สติปัญญาเท่านั้นที่จะถึงธรรมะไม่มีใครถึงธรรมนอกจากทํานั่นแหละถึงธรรมทอสลามธรรมกับทอร์ ร, รอมอถึงธรรมไม่มีคนนะมันไปไกลแต่ตอนนี้ต้องอาศัยอย่างอาศัยรูปแบบไปก่อนเพราะฉะนั้นการเจอสติเนี่ยอย่างที่เราทําอยู่เนี่ยดูกายเคลื่อนไหวดูใจคิดนึกเนี่ย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 ที่มันมั่วนะะไอ้นั่นก็รู้ได้ไอ้นี่ก็รู้ได้ไม่ไจะรู้อะไรดีมั่วรู้กายก่อนอ่าดูกายตั้งหลักเดี๋ยวค่อยไปเห็นแนวคิดในกายนี่มีหลายอย่างในกายเนี่ยมีทั้งเวทนามีทั้งความคิดมีทั้งความง่วงมีทั้งความเบื่อมีทั้งความใจมีทั้งนั้นมีให้เราดูทั้งนั้นหลวงพ่อคำเขียนบอกว่ า, วามันมาเข้าแถวให้เราดูเลยเกิดตรงไหนก็รู้ได้ตรงไหนก็รู้เลยในจิตวิจารมันเนี่ย เามาใช้ประโยชน์ได้โดยเพราะคนที่ทํางานการทํางานเนี่ยมีทั้งกายมีทั้งจิตใช่ไหมส่วนมากเนี่ยเรามักจะลืมกายแต่ไม่เป็นไรนะถ้าลืมกายเมื่อไหร่ก็อย่าลืมจิตเพราะเวลาเราเสพกับงานนี่มันเพลินกับงานนะมันคิดมันบางทีมันเพลินเด็วงานเลยกายเวลามันเหนื่อยเราก็รู้ได้แต่จิตเหนื่อยนี่เราไม่รู้กายเหนื่อยเนี่มันก็หยุดก็หายแต่จิตเหนื่อยนี่บางทีเราไม่รู้ เพลินดการคิดดีคิดดีก็เหนื่อยนะถ้ามีสติรู้ว่าอ๋อ น, นี่มันคิดเนี่ยมันก็ตัดความคิดได้ชั่วขณะหนึ่งจิตก็ได้พักผ่อนแวบนึงเดี๋ยวเมื่อคิดอีกนะเราเอยมีสติรู้เนี่ยเวลามันคิดรักอ๋อเนี่ยจิตเรามันคิดรักเนยกอคิดแล้กวก็าหายไปจิตได้พักผ่อนเวลามันคิ ด, กดโกรธอ๋อสติก็รู้ว่า อ, อันนี้มันโกรธเนี่ยนะจิตมันก็หายโกรธไปชั่วขณะหนึ่ง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 ท่าที่จะโกรธเต็มร้อยทามีสติเนี่ยแบ่งคนละครึ่งแล้วสติเอามาห้าติดโกรธเราไปห้าติดถ้าฝึกบ่อยๆเนี่ยโกรธเหลือแค่ติดเดียวถ้าฝึกจนชำนาญเนี่ยพอโกรธปั๊บดับทันทีเลยจิ้วจำมันเนี่ยต้องใช้โดยเพราะคนที่ติดอารมณ์ติดอารมณ์เนี่ยพอติดนาเข้ามันจิดตกได้เหมือนกันนะบางคนซึมเศร้าจิตตกถ้ามีสติพวกเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกมันต้องอยู่คนละด้านกัน คนที่ติดอารมณ์ถ้ามีสติสักหน่อยมันก็ออกจากอารมณ์ได้ยิ่งการรู้กายชํานาญเนี่ยถ้าออกจากอารมณ์ไม่ได้เนี่ยกลับมารู้กายมาสนใจที่กายมาเคลื่อนไหวไว้อย่างเวลาง่วงเนี่ยโอ้กำลังจะไปความงวงตบหน้าเอ้ากลับมาหน้าเราตบแรงๆเดี๋ยวมันก็ตื่นเรามีกายเป็นหลักเนี่ยมันออกจากอารมณ์ได้นะคนนอนไม่หลับเนี่ยผมเคยนอนไม่หลับมาก่อนนอนไม่หลับไม่ใช่ว่าปิการแล้วนอนไม่หลับเพราะมันคิดคิดคิดให้มันหลับมันก็ไม่หลับ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 มันเคลื่อนไหวเคลื่อนคล้าวขึ้นออกก็รู้ตอนที่มันเคลื่อนที่นอนกระพริบตาเล่น mm hmm. เอียบดบเบาๆเรามีการเคลื่อนไหวได้น้อยเนี่ยขาก็เคลื่อนไหวไม่ได้มือเมื่อก่อนก็ไม่แข็งแรงนี้มือก็กระดิกไม่ได้ก็นอนกระพริบตาเล่นรู mm ้ hmm. สึกตัวกับการกระพริบตาพมันก็เบาดีที่ก็ายักคิว้วเ mm hmm. อนแรกมาสองข้างสองข้างเปลืองพลังงานเอาทีละข้างดีกว่าสติได้สองด้านเลยนะโอ้นอนเล่นมันก็ตลกดีนะมันก็ไม่ง่วงก็ทําอะไรตลกดี น้องเข้ามาเห็นนะพี่ทํำไรอนอนยาคิวเล่นอะไรที่มันทํายากๆสติสมาธิมันมากเหลือเกินพยายามหนนะ่อยก็ทำไงได้มันช่วยไม่ได้นะเคลื่อนไหวได้แค่นี้ก็สายแค่เนี้ยมันก็ใช้ประโยชน์มันต้องหาเรื่องเคลื่อนไหวข้อคมนี่ยพับเอาอย่างดีเอาจับมาคลี่แล้วก็พับอย่างช้าๆพับเสร็จเอาคลี่ใหม่พับอีกมันเหมือนคนบาน้าแต่มันก็ได้สติมันอยู่กับตัวเราออกจากอารมณ์ได้เนี่ยวิธีง่ายๆ แล้วยิ่งอย่างยริยธรรมเนี่ยเคลื่อนไหวได้มากกว่าผมอีกต้องออกจากอารมณ์ให้ได้อย่าน้อยเครียดตรงนี้เอาลุกไปเปิดหนา้าต่างมันก็หายแล้วเครียดที่หนึ่งเอาุกไปดื่มน้ําเข้าห้องน้ำแบบไม่มีผลก็ได้เดี๋ยวไปเปิดตู้เย็นไว้ก่อนไม่รู้ว่าไม่ได้กินอะไรเปิดไว้ก่อนแล้วก็ปิดต้องตามรู้เลยนะไม่ใช่ว่าเครียดตรงนี้เกิดไปเปิดตรงนู้นแต่ก็ไอ้ความเครียดอยู่ยังส่งใจไปเครียดเหมือนเดิมสติตามรู้ไปการเดินเข้าห้องน้ําอย่างมีสติ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 ถ้าวรามีสติมันคิดอยากจะเสรไม่ทําตามมีสติรู้ในความอยากความอยากมันก็หายไปมันตัดตรงที่ความอยากด้วยสติเลยแล้วสิ่งเสตติทุกอย่างเนี่ยมันหลุดตรง น, นัหลุดเพราะสติรู้ทันอใบมือต่างๆเนี่ยมันเสตติดังนั้นสามารถใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตปรามันมีมากกว่านี้อีกลองเอาไปใช้ดูหลายคนก็ได้ผลมิ่งมามากคนที่เป็นไมเกรนคิดมากเครียด พอเจริญสติเนี่ยไม่ต้องทานยาเลยไม่ต้องทานยามันก็หายได้เพราะฉะนั้นลองตรงเราไปฝึกดูนะเนี่ยอาศัยรูปแบบการปฏิบัตินี่แหละค่อยๆเป็นค่อยๆไปขอให้เรามั่นใจแต่ว่าการเจริญสติในชีวิตประจำวันเนี่ยทําได้ต้องเปิดใจนะต้องเปิดประตูใจว่าทําได้ถ้าบอกทําไม่ได้เนี่ยมันก็ลองจะไม่ได้ทำอ๋อทาได้วิธีการเจริญสติแบบเนี้ย สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วก็สามารถดับทุกข์ได้เราต้องมั่นใจแล้วคนที่ทาได้แล้วมีหลวงพ่อเทียนก็ทำมาแล้วก็ได้ผลและผมก็ได้พบกับญาติธรรมที่ปฏิบัติแบบนี้ได้ผลตั้งหลายคนกลติบแบบเครื่องหมายแบบนี้แก้ปัญหาชีวิตได้เยอะเปลี่ยนชีวิตใหม่ได้ก็มีมากที่สำคัญสุดคื อ, คอเราก็ทำได้มั่นใจเราทาได้ ถ้าเรายังมีกายเคลื่อนไหวและมีสติรู้ได้อยู่แล้วก็มันได้ทั้งนั้นแหละขนาดกายผมเคลื่อนไหวได้ปหมดจึงทาได้เลยต้องมั่นใจนะวันนี้ยมาก็ลําบากมาถึงก็ไม่ได้พักอุตส่าห์มาให้กําลังใจนี่ถ้าคนที่มีร่างกายเป็นปกติไม่เห็นใจแล้วก็มันก็ใจดําเกินไปแล้วเห็นใจคือลองเอาไปปฏิบัติ ด, ดูอย่าพึ่งเชื่อแต่อย่าพิ่งปฏิเสธนะลองพิจารณาแล้วลองทําดู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 เราลองรู้ว่าอ๋อนี่ถ้ามันออกไม่ได้นะเทคนิคเรากลับมารู้กายเรามารู้กายไม่ใช่ลังเกียจนะคือต้องการที่จะรู้สึกตัวให้มันมากยิ่งขึ้นถ้ารู้ปิติแล้วาที่มันหลงเพลินไปเราไม่ได้รู้แล้วเราเข้าไปอยู่กับมันกนะลับมารู้กายก่อนล้วค่อยสังเกตดูสังเกตดูตดจนกว่าจะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาถ้าเกิดจิตผู้รู้มาเมื่อไหร่แล้วก็เราจะเห็นว่าปิติส่วนหนึ่งและจิตผู้รู้ในปิติส่วนหนึ่ง มันจะมีหลักในการดูมากยิ่งขึ้นตอนนี้เราต้องอาศัยเบสิกตรงนี้ก่อนทุกกว่าจะทำนานลองดูนะลองทำดูต้องลองนะการปฏิบัติเนี่ยต้องลองผิดลองถูกต้องกล้าได้กล้าเสียครูบาอาจารย์หรือตำราพูดไปถูกแล้วแต่นั่นของเขาของตำราเขาแล้วของเราอะ่ะมันต้องลองด้วยฝีมือและมือของเราบ้างลองออกดูไม่มีใครรู้จักตัวเราเท่ากับเรารู้เราเราลองทำดู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 จระสตเนี่ยหูมันจะมีหวยมาในนิมิตหลวงพ่อเตียนเน็ตจระสติเน็ตโอ้มีแรกหวยขึ้นมาถ้าเราเท้าชี้เลยอันนั้นไม่จริงส้นริงกูจริงกว่าอันนี้จริงกว่านะไม่จริงมันก็หายไปเลยใช่ัหมอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้ น, นจริญสติเน่ะอันนั้นคือสิ่งที่หมาหเห็นอาจจะไม่จริงก็ได้กรรมเก่าดีต่างๆก็มาจากนหนทั้งนั้นมาจาก้ความคิดต่างๆที่เราเคยสะสมมาสติมันก็รู้ได้ก็เราจะเชื่อตัวไหนอ่ะ เชื่อตัวผู้รู้เลยเชื่อสิ่งที่ถูกรู้ร่างการปฏิบัติทำการพัฒนาจิตให้มันรู้ให้มันจเจริญไม่ใช่พัฒนาสิ่งที่หมายรู้รูปแบบจริงจำเป็นในบางช่วงและต่อไปก็ไม่ต้องใช้เพราะไม่ใช่สิ่งทําไม่มี็ประโยชน์กับเราเมื่อเรามีเครื่องมือเราแล้วก็ใช้เครื่องมือให้เป็นประโยชน์เดี๋ยวคำถามหนึ่งครับก็คือจะถามเรื่องเกี่ยวกับต้องทำงานแล้วก็จะต้องดูแลคนนะครับ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 มันจะมีแต่ความฟุ้งซ่านเริ่มต้นในการดูแลด้วยจิตใจที่ดีเป็นบุญเป็นกุศลซะก่อนเห็นไหมถ้าบุญกุศลเกิดขึ้นเนี่ยสติมันก็จะมีสมาธิมีสติมากขึ้นกว่าเดิมแล้วอารมณ์ที่มา้าเราดูเนี่ยโอ้โหมากมายเลยดูคนอย่าลืมดูใจเรานะละเข้ามาทําให้เราเกิดมีอารมณ์ให้การปฏิบัติมากมายให้เราตั้งใจที่จะรู้สึกตัวไปทีบ้างไอ้ที่ดูแลมีปัญหาเพราะว่าเราไปกับความคิดแตกับอารมณ์มากมาย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 เกิดความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกตัวจริงๆอะค่ะก็ประมาณเดือนหนึ่งหนึ่งเดือนกับการเจริญสติที่บ้านไปไหนไม่ได้นะมีน้ําท่วมรอบบ้านน้ําท่วมนะปีสามปดนี่เอาละมันไปไม่ได้กว่าเวลานแล้วอยู่ที่บ้านแล้วก็นอนเจลาสติไปเนี่ยนอนพิกมือเงี้ยนอนพิกมือวันเรากวันเราเจ็ดชั่วโมง8ดชั่วโมงนอนพิกเงี้ย เบือขวามัง่งนอนจนแขนซ้ายนี่ยกชํานาญเลยนะเมื่อก่อนยกไม่ขึ้นพลิกไปขวามัง่งซ้ายมัง่งแล้วก็ใช้กับยาบุตต่างๆดูตัวเราก็เห็นจิตเห็นความคิดหนึ่งเดือนเนี่ยไม่ใช่หนึ่งเดือนมารู้ทำนะหนึ่งเดือนเริ่มรู้ทำ ร, ร, รู้ทางยังไม่มารู้ทำแล้วทราบได้ยังไงคะว่าคือตอนที่รู้สึกตัวขึ้นมาว่ามันเป็นความรู้สึกตัวจรงิงๆอะคะอ๋อนี่มันมีเหตุการณ์นะ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 นอนพลิกมือเป็นภาพท่านหันหลังให้นอนพลิกมือท่านก็นหันท่านก็ค่อยหันมาเราก็เราไม่เคยหน้ามั่นความเขียนเลยหันมาหันมาต่านจีน้าให้รู้สึกตัวสะดุ้งเพือกโอ้โหนี่เราหลงมาตั้งนานไม่น่าอาทิตย์แรกนี่หลงเยอะเลยอาทิตย์ที่ต่อในเริ่มเริ่มตั้งใจเอาละก็จะตั้งใจทําโอ้ตั้งใจเพลงไปในมือ มันไม่อยากคิดใดและอะไรก็ไม่เอาเอาทุกอย่างเลิกทุกอย่างหันมาพลิกมือเจตนารู้เพลงดูมันดีนะสงบเงียบแต่มันเครียดมากเครียดไม่ก็ยอยากจะคุยใครไม่ก็อยากจะมองหน้าใครกลัวธรรมะจะหลุดแล้วเพลงแล้วเราก็เครียดได้คือมันเข้าไปเลยอันแรกคือหลงไอ้สองอันเพลงมันเริ่มหย่อนข้างตึงข้างเมันก็ไม่ถูกนะก็ทําไปเรื่อง ก, ก่อนทําไปมีอยู่ข้างหนึ่งพอเราทําไปแล้วเนี่ย มีความรู้สึกว่าเรามันเหนื่อยมันเครียดเริ่มเห็นเวทนานี่มันเครียดเนีเราก็ไม่ได้คิดอะไรไอ้ทุกข์ที่กายวิการเนี่ยมันเลิกไปแล้วลืมไปแล้วมันมาทุกข์แบบใหม่ทุกข์เพราะการปฏิบัติทุกขกว่าทุกละเอียดกว่าปฏิบัตไิไปไอ้มัน ท, ทําไมถึงเครียดแบบนี้แล้วก็ห ย, ยุดหยุดรู้สึกให้มันเคลื่อนไหวไปหยุดรู้พเพราะว่าหยุดรู้เนี่ยมันถึงไม่ได้หยุดปฏิบัตินะหยุดรู้หยุดที่จะเข้าไปเพ่งมันเนี่ยหยุดรู้เฉยเนี่ย มันมีเพราะว่าเมื่ออย่าง ก, กับเราเนี่ยถอนออกมาจากการเคลื่อนไหวของกายพอถอนมาเนี่ยกลายเป็นผู้ดูจิตมันก็ผ่อนคลายเอ๊ะไอ้กายเคลื่อนไหวนี่มันไม่ใช่เราเนี่ยพอถอนเป็นผู้ดูเนี่ยกลายเป็นผู้ดูกายเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวอยู่ข้างนอกอรู้อยู่ข้างในเกิดเพราะว่ารูปนามขึ้นมาเพราะก็ยังไม่เชื่อเอาทำไ่อนทำไปก่อนนี่มันคิดเอาหรือเปล่าทํำไปก่อ น, นทํำไปก่อนจนกระนั้นเกิดความมั่นใจมันคุณสภาวะ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 เราเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายพอเราวางมันจะว่าเราเห็นกายส่วนหนึ่งแล้วเราเห็นเวทนามันติดอยู่กับกายเวทนากายมันติดอยู่กับกายพอามพิกายอยู่กับกายสิวฝ้าต่างที่กายทั้งนั้นไม่ใช่อยู่ที่เราเสร็จ แ, แล้วมันจะมีความคิดอย่างคิดที่มันต่อจากทุกเวทนามันน่าจะหายนะมันน่าจะเดินได้อะไรอ๋อนี่มันมีความคิดน้อ ย, อยมาก่อนคิดน้อยอยังไม่เท่าไหยนะเอ้ยเราต้องรีบปฏิบัติมันจะได้ปนทุกรีบบวช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 จะเห็นทำไหมตรงอยากบรรลุธรรมถ้าอยากบรรลุธรรมแล้วก็จงวางความอยากบรรลุธรรมซะท่านก็จะบรรลุธรรมตัวเนี้ตัวกำแพงขวางกั้นอยากบรรลุธรรมแต่ไม่ขยันบรรลุไม่ได้หรอกก็เห็นอาการของความอยากที่มันเกิดขึ้นอยากพ้นทุกข์ขณะปฏิบัติมันก็ไม่มีทุกข์แต่พอเกิดความอยากปั๊บมันมีทุกข์ทีนนี้เราก็ต้องเปลี่ยนวิธีชีวิตใหม่อย่าไปเชื่อในความอยากซะแม้แต่อยากดีถ้าจะทําก็ทําไปดีอย่าไปเกิดความอยากขึ้นมา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 ยาบุหรีเนี่ยการไม่ติดหรอกแต่กายอ้าไว้ในบุหรีมันไม่อยู่หรอกถ้าไม่จับก็ไม่ได้สูกอันที่ติดเพราะความคิดมันติดมันเริ่มจากความคิดที่เกิดความอยากก็เลยทําให้กายต้องไปทําอะไรหลายๆอย่างการไม่ชอบหรอกเกิดมามันไม่เอาบุหรีฆ่ามาด้วยแต่ตัญหามันส่งมาให้เพราะนั้นมันเริ่มต้นที่จิตดังนั้นซ้ำกันที่จิตเริ่มจากจิตการจิติสติเนี่ยเป็นการฝึกที่จะรู้เท่าทันจิตใจโดยตรงเลย ไม่มีอาวุธใดที่จะรู้เท่าทันจิตใจได้กับสตินั้นถ้าถูกสติบ้าๆเนี่ยสิ่งนี้ก็จะหลุดล่วงไปแต่สังขาที่ว่าเขาอยากจะออกจากอารมณ์แบบนั้นไหมอยากจะออกจากสิ่งที่เขาเสพติดไหมอยากจะออกจากเกมไหมอยากสักสิอร์เซ็นหรือไม่อยากสักเก้าสิบบางทีอยากนะแต่ว่าไม่พยายามทํามันก็ไม่หลุดออกมานะมันต้องมีความพอใจที่จะออกแล้วก็มีความเพียรที่จะออก แล้ต้องมีใจจดจ่อที่เอาจากสิ่งนั้นแล้วต้องไข้ควรให้เป็นอิธิบาสีมาแล้วก็มันรุดออกจากทุกอย่างอิธิบาสีไม่ครบพออยากปั๊บไม่เพียพรพอไม่เพียรมันก็ไม่มีการจดจอ่อแล้วก็ไม่มีความรู้อะไรมันก็ได้แค่อยากความอยากนั้นไม่ยากแล้วขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอาจารยค์คะขอเรื้อถามจากใจความเมื่อกี้นิดนึงนะคะว่าถ้า จะเปลี the it, hit, ่ยนพฤติกรรมใหม่ให้คนที่ชอบเสพมากลายเป็นไม่เสพเนี่ยคือว่าคนที่ติดอะไรจิ้เกมติดการพนันเนี่ยค่ะบางกรั้งจะเรีสติเนี่ยแต่เขาไม่มีความปลักหรือความเพลินที่อยากจะออกจากตรงนั้นเนี่ยมันก็ยากมากจริงๆเลยเราจะบอกถึงโทษยังไงก็ก็ไม่สนแต่เราก็อยากจะช่วยค่ะท่านอาจารย์ว่จะช่วยยังไงคะก็มีครูก็บอกว่าใ้เด็กปฏิบัติธรรมได้อย่างไรเด็กพูดถึงธรรมะมันก็หลับล่วงหน้าแล้วเราต้องมีอุบาย การปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่ต้องมานั่งยกเบืออย่างเดียวนะไม่ใช่ว่าจะต้องมานั่งหลับตาสมาธิไม่ใช่เราใช้ธรรมชาติของเขามาปฏิบัติตัวเขาก็ได้เขาชอบวาดรูปให้เขาวาดรูปอย่างมีสมาธิก็ทําได้ให้เขามาใช้ชีวิตยอย่างอื่นที่ไม่ใช่เกมเป็นสิ่งอื่นที่ทําด้วยมีสติผูกพันลองไปเล่นกีฬาดิกีฬานี่ถ้าไม่มีสมาธินี่มันเล่นไม่ได้เหมือนกันนะดนตรี ร้องเพลงผู้นี้ใช้สมาธิช่วยทางนั้นแต่เราสามารถอาศัยอารมณ์ที่เป็นกุศลนั่นหน่อยคือเปลี่ยนอารมณ์จากอารมณ์สั้นนั้นมาทําอารมณ์ใหม่อย่างผู้สูงอายุไม่ค่อยได้ไปฏิบัติธรรมท่านไม่ชอบปฏิบัติธรรมไม่เป็นไรพาไปวัดไปดูเจดีดูลู่โบสถ์แล้วค่อยไปทางหลังวัดดูพระเขาสอนกรรมฐานาดูค่อยๆหลอกไปข้างหน้าแล้วก็หาข้างหลังข้างหน้าเป็นสิ่งหลอกสมมุติ แต่ข้างหลังนั้นของกิงมีป่าชา้ามีอะไรเนี่ยค่อยๆนำพาไปเพื่อจูงจิตให้เป็นในส่วนที่สูงขึ้นสูงขึ้นได้เด็กติดเกมเอา้าวพาไปเล่นกีฬาพาไปเที่ยวพาไปให้ออกจากอารมณ์นั้นก่อนให้ไปติดอารมณ์ใหม่แต่เป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลนิดหน่อยนะไม่ใช่นี่จะเกมไปติดสิ่งอื่นไปติดทินเนอะร์พยายามชักจูงเปลี่ยนแปลงกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยสามารถเจริสิธิ์ได้ทั้งนั้น ถ้ามีการเคลื่อนไหวมีการรู้แล้วก็ใช้ได้แต่ขออย่าให้ใช้เป็นกิจกรรมที่ต้องมีความคิดมากๆถ้ามีความคิดมากๆเนี่ยสติมันจะไม่ค่อยเกิดขึ้นอย่างเวลาเราง่วงนอนเนี่ยง่วงนอนนะวิธีแก้ง่งวงนอนถ้ามันวิธีไงไม่หายจิบไม่กวาดกวาดฟืนผู้หญิงก็ชอบทํางานทําเพลินกับงานทั้งวันมันก็หายง่วงมันเบื่อมันเซ็งมันเครียดไปทำถึงที่เราชอบคนชอบต้นไม้ก็ไปปลูกต้นไม้อย่างมีสติอยู่กัน มันก็พลาดจิตออกจากอารมณ์ที่เรามันจาเจได้เปลี่ยนไปแล้วก็ใช้สติตามรู้ไปสิ่งอย่างผมเนี่ยปฏิบัติในง่วงนอนทํำยังไงลุกไปเลยจงกลมเหรอไม่ได้ดแต่พลิกซ้ายพลิกขวาบางทีง่วงทางซ้ายนะพลิกไปทางขวาอมเข้าทางง่วงก็มีนะต้องมีอุบายทําตาโตๆโตมองลอดระดับไปมองไกลๆเปลี่ยนระดับสายตาสบานันก็หายง่วงนั้นต้องรู้จักเป็นจักแก้ไข จะถามอาจารย์นะคะก็มีอยู่วันนึงอะคะ่ะที่วันนั้นคือหนูไม่สบายแล้วปวดหัวะคะ่ะแล้วคือก็ทานยาเราก็เลยก็เลยนอนและดูความเวทนาเฉยๆอะคะ่ะก็คือพอนอนดูไปสักพักนี่เราจะเห็นกายและเราเห็นความปวดแล้วถ้าเราเห็นว่าถ้าสมมุติถ้าเราจิตเนี่ยไปจับออกับความปวดเนี่ยมันจะปวดมากขึ้นเรื่อยๆก็เลยถอยออกมาถอยออกมาดูมันห่างๆและเสร็จแล้วจะเห็นว่าความปวดเนี่ยมันจะ น้อยๆแล้วมันขึ้นสุดพีกสุดๆแล้วมันก็ค่อยๆผ่อนลงมามันก็สูงขึ้นแล้วมันก็ต่ําลงมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันหายาพอมันหายหนูก็สบายใช่ไหมคะแล้วหนูก็หลับไปเลยค่ะแล้วก็หนูก็เลยจะถามว่าการที่เราเหมือนกับว่าเอาจิตออกมาตัดเวทนาเนี่ยมันเป็นการเห็นที่ถูกต้องหรือเปล่ปาคะอาจารยาอา์อนุโมทน า, น า, น า, าปฏิบัติเป็นแล้วอนุโมทนาหน้าน้หลัปฏิบัติเป็นแล้วล่ะ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 แต่ถ้าเราเอาจิตไปแช่กับความปวดเนี่ยเราจะเห็นจิตเราเข้าไปป่วยกับมันด้วยมันจะเห็นความปวดขึ้นเรื่อยๆเรื่อย ๆ, ๆแต่ถ้าเราถอนจิตออกมาเป็นผู้ดูเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะขึ้นขึ้นลงๆของเขาสวิงของเขาไปเรื่อยๆแต่ความปวดมันก็จะอยู่อีกส่วนหนึ่งมันจะอยู่ออกนอกๆก็ดูหน่อยว่าผู้ดูมันก็หายไปได้เหมือนกันนะบางทีดูอยู่บางทีก็หายไปเช่ผู้ดูก็เกิดดับเหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปทิ้งความปวดไปติดผู้ดูหนีผู้ร้ายมาติดคอมบอนิทติดผู้ดูผู้ดูมันก็ไม่เที่ยเหมือนกัน ก็ต้องดูเว้พูดดูมันก็ไปแน่นอนมันต้องละต้องจองยากดีละดีแล้ะปฏิบัติดีละ